ของเรานี่ก็มีเนนเพง่งสมัยนั้นก็นคือหลวงปู่เพ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลวงปู่นั่ละ อ, อยู่ถ้ำกองเพลนก็ยังคิดว่ายังเหลืออยู่สององค์ที่เป็นสิทธิานุสิทธิของหลวงปู่มั่นเ่เพราะนั้นในวันนี้ที่มากับผมเองก็เป็นฐานะหลานเหลนของครูบาอาจารย์ที่ได้มา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 กระผมเองอาตมาภาพเองก็มั่นใจในองค์หลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเราเป็นธรรมมกทึกเอกเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้จะเกินไปเพราะหลวงปู่ของเราเไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของปวงประชา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 ก็เห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังก็ได้มอบถวายย่าขาให้กับท่านสิทธัตถะเมื่อท่านสิทธัตถะได้ยาขา8ปะกำมือก็มองหาที่ทําเลที่นั่งท่านก็มองเห็นทางทาเลทางทิศตะวันออกจากนั้นพ่อองค์ก็ได้เกลียยาขา8ปะกำมื อ, อคงจะประสานกันหัวท้าย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 ที่แล้วเป็นอะไรมาพระองค์ก็ระลึกว่าก่อนที่จะลงมาเกิดที่กรุงกระบนละพัฒลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีพรมมีเทวดาไปกราบราตนาพระรพรองค์กำลังจะขึ้นไปชั้นอื่นจากนั้นก็ลงมาเกิดมาประสูติที่กรุงกระบนละพัฒจากนั้นก่อนนั้นมาจากไหน ท่านก็ว่ามาจากเวทสั้นดอนพระเวทสั้นดอนจะกรอคึ้นไปเพวันนั้นวิญญาณหรือว่าใจของพระ อ, องค์มีที่ไปที่มาจต่ว่าท่านละลำลึกชาติผนหลังได้จต่ว่าปุเพนิวาสานุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ลำลึกมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากพระ อ, องค์ตอนหัวข้ามมองพระ อ, องค์เองแต่พอถึงเที่ยงคืนมองดูสรรพสัตว์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 ถ้าหากว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีจะให้ไปไปในทางดีถ้าหากว่าใครใครทกากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นพระองค์จึงมองดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเป็นมาด้วยกับเพราะนั้นพระองค์จึงเน้นเรื่องอย่าทำกรรมชั่วในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ไม่มีเมตตาต่อใครๆเพล่เพล่ก็เกิดโมโหขึ้นมาก่หนะหักพวงมาลัยลงข้างถนนเป็นอันตรายเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมเพราะนั้นเรื่องการอบรมเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย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 ถ้าจะเปรียบเทียบกับหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอ น, สนศิทธิอนุสิทธิ์ของท่านวิธีการทํานาในเมื่อพวกเราได้ศึกษาจากหลวงปู่มั่นวิธีการทํานาเราก็ได้ศึกษามาทางนี้เราแนะนําสั่งสอนเราก็บอกว่าออวิธีการทํานาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ, อ, อาจจะมออีชั้นเชิงเลี่ยงบ้างบางสิ่งบางอย่างออแต่ถ้าว่าผู้ใดออไปทําไร่ สวนยางพาลาเขาก็จะต้องแนะนำวิธีการทำยางพาลาเนี่ยทำอย่างไรถ้าว่าผู้ใดไปได้มันสําปรังเขาก็แนะนำเรื่องวิธีการทำมันสัมปลังมีมากหลากหลายในการวิธีหางเงินคำทรัพสมบัติเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำบอกกล่าวว่าพระธรรม 84% 0พันพระธรรมขัน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 แล้วก็ให้พิจารณาดูนะเพ่งดูดอกบัวนี่นะอะ่ไปจากนั้นพระองค์นั้นก็ได้ดอกบัวทองคำจากพระหัตถ์ของพระพุทธไทจากจากนั้นท่านก็ไปหาหมุมสงบอยู่ทางหลังวัดจากนั้นขอสายขึ้นมาแล้วก็เอาดอกบัวเสียบในกองสายจากนั้นก็นั่งเพ่งโอ้ดอกบัวสวยจริงเนอสวยจริงหนะเออ พอต่อมาดอกบัวมนะเป็นดอกบัวนิลามริรมันก็มีสีเศร้าเข้าไปเรื่อยๆสีดำผีค่อยๆดำเศร้ามองไปเรื่อยๆพอผลในสุดดอกบัวนะก็เห็นเป็นอันนี้จังคือของไม่เทีย่ยงมันเศร้ามองพระเอานั้นก็โอ้ดอกบัวที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าเป็นดอกบัวที่สวยงามมากหยดย้อยไปด้วยเกีบ เ, เรือว่า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 เรื่องสมาธิมาแล้วท่านจะต้องรู้วิธีการที่แนะนำสั่งสอนลูกหลานของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโจมลูกหลานทุกคนไยในการศึกษาไยในการเรียนรู้เรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแลยวแต่ว่าทานศิมภาวนาทานคืออานิสงส์ของทานไปสู่สวรรค์นนะคณะสัยตยาิโยม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 ไม่ผิดนะคณะสัทยทายาตโยมเพราะพระภูติเจ้าที่ท่านไปบาเพ็ญอยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนนน่ะท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้วาหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มั่นของเราเอากรรมฐานสองอย่างมาพนวกกันคือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพด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 ไม่เป็นพ้นดีอย่างพวกเราเมื่อการฝึกสมาธิเนี่ยเมื่อเราฝึกแต่อย่างน้อยอย่างนมในเมื่ออายุแก่ข้องมาเมื่ออายุแก่ขึ้นแก่ขึ้นใจข้องเราก็จะเป็นสมาธิจิตใจข้องเราจะไม่พุ่งไม่ฟุง้งไม่สรั่นจิตใจมั่นคงไม่มาไม่ไมว้าเหวี่ยงวา้างเงียบเหงาซึมเศร้านะนิสัยซึมเศร้ า, นะใใสสาจะไม่มีเพราะเหตุใดเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวาง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 สมาธิดีแล้วจิตใจเราจะไม่ว้าเหวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกสมาธินะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะเมื่อเท่าแก่ชราลงไปแล้วนะลูกหลานของเราไปทำการทำงานที่อื่นนะเราก็แค่แต่ถึงลูกถึงหลานจิตใจจะว้าเหวีอ้างว้างเงียบเหงา เ, เป็นผู้สูงอายุที่เศร้าซึม เ, เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นขอให้ฝึกขัดไว้แต่นอนเนินเนนเน่นรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักอืเอาสมาธิเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจเราจะไปพึ่งใครวะอถ้าเราไม่พึ่งใครเราจะไปพึ่งใครถ้าเราไม่พึ่งเราเพราะนั้นขอให้พวกเราพึ่งเราการกล่าวสัมมบทนิยธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาอแล้วก็เบื้องต้นได้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 ที่เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของคณะทายาทโยมทุกหมู่เหล่าท่านมีเมตตามีการแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนพวกเราท่านทั้งหลายมากต่อมากอย่างเห็นวันนี้พวกเราขอรักเคารพในองค์หลวงปู่ที่ได้มาแสดงซึ่งออกซึ่งมุธิตาสักการะที่หลวงปู่มีอายุ